بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولعدوان ا إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على شرف الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بحسان إلى يوم الدين اللهم ص ي ب ا ن ا ف ع ا اللهم إننا نسلك من خيرها وخير ما ورسلت به ونعوذ بك من شرها ومن شر ما أرسلت به اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآكام والضراب والأودية ومنابد الشجر يا أرحم الراحمين سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. เป็นสิ่งที่ผมเคยพูดมาแล้วแล้วก็เป็นสิ่งที่คนจนวนมากเขาไม่เคยทราบกันนะครับ ก็อยากจะบอกกับพี่น้องว่าในช่วงเวลาเรียนรู้อัล ก, กุรอานและะดิษรลลกัรศาสนามันเป็นช่วงเวลาที่ดูอานะ่าจะมุสตะับช่วงช่วงเวลาฟังบรรยายนะโดยเฉพาะเรียนรู้อัลกุรอานถึงไม่มีตัวบทเจาะจงแต่องค์ประกอบของฮะดิษหลายบท ที่พูดถึงการล้อมของมลาลลยกัฮะดีสตันที่เรียนรู้คกุรอานในบ้านอัลลอฮ์มาเลยก์ก็จะมาล้อมนะแล้วก็ฮะดีสีวะกลุมหนึ่งกลุมใดที่รำลิกถึงอัลลอฮ์มาเลย ก, ก็จะมาเป็นพยานแล้วก็ไปทูลไปทูลต่ออัลลอฮ์สุภาโนอาตาแล้วก็อลัลลอ์ก็จะถามด้วยเขาต้องการอะไร นี่นี่เป็นส่วนประกอบของฮะดิษต่างๆผมก็ได้เห็นนะครับตอนที่ผมเรียนอยู่ที่อียิปต์เนี่ยก็จะมีผู้รู้หลายคนนะี่เวลาเขาไปนั่งบางทีเขาก็ไปนั่งนั่งฟังบรรยายะอะไรเงี้ยเขาก็เป็นผู้รู้เป็นผู้ ร, รู้เป็นผู้รู้ที่มีชื่อเสียงด้วยแต่เขาก็ไปนั่งฟังบรรยายแต่ผมสังเกตว่าตอนที่เขานั่งฟังไปฟังไปแล้วก็ซิกุลล้อไปแล้วก็ดูอาไปด้วยอทีนี้ ช่วงนี้ก็ทั้งบรรยายแล้วก็ฝนตกซึ่งมันมีฮาดียู่บทหนึ่งว่าดุอานิตในช่วงฝนตกนี้จะมุสตจ j a ถึงจะเป็นฮาดีษที่ใส่เร่งงานไม่ค่อยแข็งแรงนักแต่อลมา ก, ก็บอกว่าให้คาดการให้มีความหวังว่าน่าจะเป็นไปได้ว่าจะเป็นดุอามุสตจ j a ก็เพราะหลักฐานชัดเจนในคุรานะฮดีว่า a l l a سبحانه แะ تعالى จะให้ฝนตกเนี่ยเป็นสัญญาณระวังความเมตตาของพระองค์โอ้โหที่รุ่งเรืองริยาห์ไปในย่าได้ร่ำมติหลังจะส่งพายุพายุที่มีฝนเนี่ยไปในยาได้ร่ำมติระวังประหัตแห่งความเมตตาของพระองค์หมายถึงว่าเป็นสัญญาณของความเมตตาของพระองค์ชาวสลัหลายท่านเนียก็จะ ขออุทธรช่วงฝนตกนะครับเราก็จะขอดุทธรหวังว่าช่วงนี้ช่วงที่เราเรียนรู้อัลกุรอานแล้วก็มีฝนตกนี่หวังว่าจะเป็นดุทธรมุสจาบเราขอต่อพระสุบภาพนาวัตถาลาเจ้าองค์พระผู้ภิบาลของเราเป็นพระผู้สร้างเราเมตตาเราโปรดประทานรุสกีกับเราขอต่อพระองค์ให้พระองค์สุภาพนาวัตถาลาด้โปรด ให้พวกเราบิดามารดาของเราพี่น้องของเราเครือญาติของเราลูกหลานของเราครูบาอาจารย์ของเราลูกศิษย์ลูกหาของเราตลอดจนเพื่อนฝูงและทุกคนที่เรารักใคร่และทุกคนที่เขารักใคร่เราอัลลอฮฺ سبحانه แวะ تعالى โปรดประทานอภยโทษให้พวกเราทั้งมวลและได้โปรดลบล้าง บาปความผิดของเราทั้งปวงและได้โปรดให้พวกเราและบุคคลที่เราอ้างถึงนี้ทุกคนได้เข้าสวนสวรรค์ชันเฟรเดอรสโดยไม่ผ่านการสอบสวนหรือการลงโทษแต่อย่างใดเรขอให้เราได้ผ่านพ้นบททดสอบอันใหญ่หลวงทั้งในวันเกียรติและในกุโบและในทุกขั้นตอน กอนที่จะเข้าส่วนสวรรค์ทุกประการและขอให้ชีวิตของเราได้ปราศจากมลทินต่างๆบาปต่างๆความชั่วต่างๆที่อัลลอส่งโกรธกริว้วได้ปราศจากความยากลำบากทุกประการโรคภัยไข้เจ็บป่วยทุกประการขอให้เราได้มีความมั่นคงในรีสกีมีความมั่นคงในศาสนา สุขภาพพาลนามัยและทุกสิ่งทุกอย่างที่จะทําให้เราเป็นมนุษย์เป็นเบา่าวิธีดีของเราสุาาาานนาาสภาพนหาัวตาละขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเป็นวิกฤตเป็นความเดือดร้อนได้ผ่านพ้นด้วยดีด้วยความรับรื่นในอนุมัติด้วยพระอนุญาตจากอัลลอฮฺสุบฮานหัวตาละแล้วขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเป็นอุปสรรคในการทําัยบาดะ ในการสวามิพักตัวพระองค์ในการที่จะรับใช้พระองค์ให้มันพ้นไปอย่างสิ้นเชิงให้แนวทางในการทำความดีทุกประการรับความอํานวยความสะดวกจากอัลลอสุบฮานะฮวทตาลาตลอดไปขอให้พวกเราทุกๆคนได้เป็นคนที่รำลึกถึง AH อัลลอฮเสมอเสมอ ไม่ลืมหน้าที่ในการที่จะขอเคาักดีและทำหน้าที่อิบาด์ดาวต่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮูตะลาถูกประการทั้งเราและลูกหลานของเราตลอดไปนะครับอัสสลัลลอฮุอะลัยนะบีนะมุฮัมมัดอาลิยอัสซาบิอุสัลลัมเราได้ถึงอายะที่18เนาะได้อธิบายไปแล้วอายะที่18ซึ่งมันเกี่ยวกับการปรับ ทัสนคติของชาวอาหรับในรุ่นก่อนที่เขาเข้าใจว่าการทำความดีย่อมมีผลกับอัลลอฮ์ س ب าน ن าแะตามที่เขาคาดคิดเพราะฉะนั้นเขาจะมองข้ามสิ่งที่อัลลอฮ์สั่งใชยอารับก็เลยคิดว่า การตั้งภาคีกับอัลลอ์เขามองว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาเขามองว่าเป็นเรื่องที่ไม่ผิดแล้วเขามองว่าการทำบุญเชกเช่นบูรณะมสยิดเตรียมอาหารเครื่องดื่มให้คนที่มาสแสวงบุญเขาเขามองว่านี่คือความดีที่มันสามารถกลบความชั่ว ที่เขาคิดว่ามันมันไม่ร้ายแรงมากนะจึงเกิดโตเถียงการโตเถียงระหว่างอาตับที่เขาโดยเฉพาะชาวมักกะฮ์นะชาวมักกะฮ์ที่เขามีบทบาทหน้าที่ในการดูแลมัสยิดฮารอมและกาบะแล้วคนนี้มาสแสวงบุญที่มัสยิดฮารอมและกาบะว่าไม่ควรที่จะ ไปเน้นในเรื่องชลิกเรื่องการตั้งภาคีเนี่ยว่าเป็นว่าเป็นบาปใหญ่หลวงที่ไม่สามารถให้อภัยได้โดยไม่คำนึงถึงการทำความดีอื่นๆเช่นการบูรณะมัสยิดทารอมรวยเครื่องดื่มอาหารให้แก่คนที่แสวงบุญจึงมีอายะนี้ถูกประทานลงมา แล้วจะพบหนูว่าต ah ่อไปนี uh ้เน uh ี on, ่ยวันที Sin, ind, har a, har a, har ่จะิ un, ah, ka, ud, pu ang, pu ang, so ้องเป็นคนที่บูรณะมัสยิดลองเจะต้องเป็นคนที่สตากรสตาต่อรอกอนไม่ตั้งภาคีเชื่อในวันปรโลกซึ่งมุสริมจะเขาไม่เชื่อในวันปารโลกเขาไม่เชื่อในวันปรโลกในคุตานนี่ก็จะพูดพ่วงพวงสองอย่างนี่มัน ศรัทธาต่อรทวัรลุฮะดสละ่ะะดก็เป็นมันามนวินลลวเลียลล่าหงสองาออย่างเนี่ยเขาไม่เชื่ออย่างสมบูรณ์ศรัทธาต่อร้อนแต่ตั้งภาคี ด, ด้วยเห็นศรัทธาต่อมันมีเงื่อนไขในตัวถ้าศรัทธาต่อรอแล้วก็ต้องเชื่อว่าอัลลอ์เนี่ยพระเจ้าเนี่ยที่สุดเลยทุกอย่างคือเชื่อแบบพระเจ้าที่มีความบกพร่อง ไม่ก็มก็ไม่ได้เป็นพระเจ้านี่พระเจ้าไม่ไม่ด้ยินพระเจ้าไม่เห็นพระเจ้าช่วยเหลืออะไรไม่ได้พระเจ้าไม่ได้สร้างอะไรเลยไม่ได้ทําอะไรเลยรู้รู้กันแก่ใจนะน่าจะเป็นพระเจ้าเด้งไงแล้วเขารูปบูชาเด้ไงนี่เขาทํากันเองมีมีพระเจ้ามีพระเจ้าไว้เชื่อว่าพระเจ้านี่ เนรมิตสร้างทุกสิ่งทุกอย่างแต่มีพระเจา้าไว้พึ่งพาตอนเดินทางพระเจา้าไว้พึ่งพาตอนรักกว่าพระเจ้าพิ่มพึ่งพาตอนกรูดพระเจา้าไว้พึ่งพาปรึกษาตอนทําสงครามรบสู้กับคนอื่นมีความหลากหลายนี้มันมันแค่มันคานกันในตัวแต่สิ่งที่เขาปฏิเสธอย่างสิ้นเชิงเลยนี่ก็คือว่ า, ยววานวนโยมิละขันวันปารุลกมอัลละกัลย พูดสองอย่างนี่เป็นเงื่อนไขก่อนก่อนที่ทําบุญอะไรมันก็เลยเป็นความสํำนึกของของมุสลิมเนี่ยว่าเราจะต้องมีความศรัทธามีความเชื่อมัน่นให้ครมท่ ว, สวนสมบูรณ์เสียก่อนก่อนที่จะทําบุญทำบุ ญ, บญแล้วไม่ไ ม, ไม่ไม่มีฐานของอีิมานเนี่ยสําหรับมุสลิมนี่ยมันไม่ได้และมีเรื่องหนึ่งที่ผมตั้งใจจะพูดแต่ลืมทิ้ติแล้วพอผมพูดถึงประเด็น อินเดียมมุรุม oh ัสฮิดแทริงที่จะบูรณะบรรนามัสยิดของอ l l a แล้วผมบอกว่าบูรณะนี้มีสองอย่างบูรณะที่เป็นรูปธรรมและบูรณะที่เป็นนามธรรมบูรณะที่เป็นรูปธรรมอย่างเช่นก่อสร้างแสดงว่าผู้ที่ผู้ที่ก่อสร้างและไม่รีสตาร์ผมพูดไปแล้วนะประเด็นว่าจะจ้าง จะจ้างนี่มีอยู่สองทัศนะทัศนะบอกว่าแม้การงจะจ้างคนมาสร้างมัสยิดทําม่ใช่มุสลิมก็ไม่ได้แต่มีทัศนาหนึ่งสิเป็นทัศนาอุลามะส่วนมากบอกว่าจ้างนี่ได้แต่ประเด็นที่ผมไม่ได้พูดเลืมพูดเนี่ยเอาแล้วคนนี้ไม่ได้ไม่ได้จ้างไม่ได้รับจ้างมาสร้างคนจะทําบุญแต่ไม่ใช่มุสลิมทําบุญสร้างมัสยิดนะและไม่ใช่มุสลิมไม่จะรับจ้างนะ เขาจะได้บุญไหมอะไรอย่างที่เนี่ยเกิดขึ้นบ้านเราเนี่ยเวลามีพี่น้องต่างศา ส, สนิกเนี่ยก็จะขอมาบริจาคสั่งมสัสยิดเขาจะได้บุญไหมก็ลหลักการเดิมอะเราเราต้องเราต้องเข้าใจต้องเชื่อนะว่าหลักการเดิมประเด็นที่ว่าประเด็นมันอยู่ที่ว่าเวลาเข้ามาขอทําบุญเนี่ยเพราาะว่ ทศนะอุลามาส่วนมากบอกว่าแม้กระทั่งดังศา ส, สนิกถ้าเขาต้องการบริจาคมีส่วนร่วมในการสร้างมสัสยิดถ้าเงินเขาเงินเข้าเนี่ยบริสุทธิ์เงินเข้าเนี่ยบริสุทธิ์ไม่มีมลทินเงินไขนี้สําหรับมุสลิมด้วยละไม่ใช่ไม่ใช่ตาสหรับมุสลิมต้องเป็นเงินที่บริสุทธิ์ แต่ถ้าพี่น้องจาสนาเงินทุนบริสุทธิ์และไม่มีข้อแม้ในการบริจาคออันนี้เนี่ยที่วลมาเขาวินิจัยเนื่องจากสถานการณ์ไม่แน่ในอนาคตนี่จะมีอะไรอื่นที่ต้องเพิ่มเงืินไขนี่ไม่รู้แต่ณนะปัจจุบันนี้นะขอให้มีแค่สองเงินไขนหนึ่งเงินบริสุทธิ์สองไม่มีข้อแม้อ๋อเดี๋ยวช่วยก่อสร้างมาสัสยิดแต่อย่าลืมเลือกท่านสนสนได้นะอย่าลืมเลือกท่านอบตอได้นะอย่าลืมอันเนี้ยข้อแม่ บางทีข้อแม่ก็พูดตรงๆแลบางทีก็ที่รู้กันเป็นที่รู้กันเมื่อผูกพันเป็นบุญคุณผูกมัด้อยถ้าเป็นแบบนั้นะรับไม่ได้แต่ประเด็นเน่ยถ้าพี่น้อง่าสนาเนี่ยมาบริจาคเราจําเป็นต้องบอกเขาไหมจําเป็นต้องบอกเขาไหมว่าท่านบริจาคเนี่ยสําหรับมุสิมเนี่ยไม่ได้บุญนะ คือเราเชื่อว่าว่าถ้ามใช่มุสลิมยังไงก็ทําบุญชังมัสยิดเนี่ยเขาอลอฮ์ก็ไม่รับเนี่ยอลลอฮ์ทำไมับและมีพี่น้องการศาสนาหลายคนนะครับคือเขามีความเชื่อส่วนตัวความเชื่อส่วนตัวเขานะแต่เด่๋งนี้มันก็เป็นความเชื่อที่กว้างขวางแล้วเขาบอกว่าทุกศาสนานี่อาจจะถูกก็ได้เนื่องจากว่าเขาไม่มีความเชื่อมั่นในศาสนานของตัวเอง ทุกศาสนาอาจจะถูกต้องก็ได้ทำยัง ไ, ไงดีอ่ะก็ไปทําบุญทุกศาสนาดิทําบุญทุกศาสนานี่เพื่อศา ส, สนาหนึ่งศาสนาใดเนี่ยใช่นะกูรอดนี่อันนี้มีจริงอันนี้มีจริงอันนี้มีมีในทุกรูปแบบด้วยนะแม้กระทั่งทำบุญทำบุญเจ้าที่เจ้าทางเนี่ยก็มีทําทุกศาสนาล่ะ ยิ่งถ้าเป็นที่ของแขกก่ที่ของมุสลิมเอาต้นระแ บ, บมาเลยทำบุญพบพศพบผีเจ้าที่จะเป็นแขกเจ้าที่นี่แขกก็ต้องห้ามเอาหัวหมูมาด้วยนะเจ้าที่ไม่กินเจ้าที่ไม่กินหมูนี่เป็นความเชื่อของของพี่น้องแต่ซบางบางคนนะว่าการทำบุญของเขาเนี่ยทา ทำตามความเชื่อของเขาแหละซึ่งมันก็คล้ายๆเนี่ยคล้ายๆที่เกิดขึ้นเออคือทำบุญก็ตามที่จันเชื่อมันมันใช่ได้อ่ะแต่ประเด็นอยู่ที่ว่าเวลาเขามาบริจาคให้เราเนี่ยมาบริจาคโดยเฉพาะเรื่องที่มันคือถ้าเป็นเรื่องสิทธิมนุษยธรรมมาเองเรื่องบริจาคช่วยเหลืออาหารอะไรเงี้ยมันก็พอทําล e ้วแต่เรื่องสร้างมัสยิดเนี่ยมันค่อนข้างชัดนะเราควรที่จะบอกเขาไหม เราควรที่จะบอกเขาไหมที่จริงแล้วเราควรที่จะมีแผนดาวาเขาดาวาหมายถึงอะไรให้ข้อมูลเขาเราก็ต้องดูความเหมาะสมแผนของของเราเนี่ยคือเราควรที่จะดาวาทุกคนในสังคมมุสลิม ท, ทุกคนเนี่ยต้องมีภารกิจดาวาในใจเขาเนี่ยฉันต้องดาวาทุกคนอย่างหนึง่งอย่างใดถ้าเรามีแผนแล้วในการดาวานะ อาจไม่จำเป็นต้องให้การแจ้งข้อเท็จจริงในด้านหลักความเชื่อของเราในช่วงนั้นน่ะเป็นวาระเร่งด่วนก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นวาระเร่งด่วนก็หมายถึงว่าบอกเขาภายหลังก็ได้แต่ต้องมีแผนต้องมีเจตนาไม่ใช่ต้องมีแผนเจตนาในการบอกความจริงในการพูดถึงเรื่องศัจธรรม ไม่ใช่สวยโอกาสอ๋เอเฮียเข้ามา บ, บริจาคถ้าบอกเฮียว่าเฮียไม่มีบุญ น, นะและเฮียจะบริจาคไหมเอียอย่าไปบอกเออกขาเดีเขาม่ บ, บริจาคถท้เจตนาแบบนี้นะนะ บ, บะัตรซบเลยบัตรซบเลยเลวซามมากก็คงจะไม่ดงังกับคนที่ไปไปหาเงินกับนักการเมือง แล้อเวลาหรือเวลามีงานการอะไรแล้วก็ไปก็ไปเรียรย่ยไรทุกที่เลยไปเรียรย่ยไรที่วัดไปเรียรย่ยไรที่เรียบหมดเลยสร้างมสัสยิดเอาแล้วทีเขาจะสร้างอุโบสถหรือจะสร้างอะไรแล้วก็ส่งซองมาบ้างละ่ะอ้าวมุสลิมก็ไม่ทำอ้าวคนละใจเขาคิดยังไงอะเรื่องนี้เกิดขึ้นบ่อยมากแม้กระทั่งในหน่วย น่วยราชการหรือในภาคเอกชนเนี่ยเขาจะมีกองทุนกองทุนช่วยเหลือช่วยเหลือพนักงานที่แบบว่าประสบอุบัติเหตุหรืองานสอบอสห์มากที่สุเรื่องงานสอบเขาได้อะไรเขาได้กองทุนอะไรนะอาชาพนักิจชาพนักิจไอมุสลิมมุสลิมบางทีก็อยู่ในราชการเนี่ยผมก็ทําคําถามเยอะเนีว่ะกองทุนนี่ เขาไม่ได้บังคับเขาไม่ได้บังคับแต่เขาจะเชิญชวนชาวปัต น, นกิกช่วยคำดำว่ากองทุนนี้ส่วนมากนี่ใช้ในเรื่องอะไรก็คือเรื่องงานศพเรื่องงานศพนี่คืออะไรก็คือพิธีกรรมต่างๆแม้ว่าจะเป็นเรื่องเผาศพเรื่องเชิญเชิญนักบวชมาทำพิธีมาสวดมนต์หรือแม้กระทั่งทําบุญ ถ้าบุญสามวันเจ็ดวันอ้าเพราะมาที่ไปที่มามันก็มาจากฝั่งนู้นไงของเขาก็มีแล้วแต่ก่อนผมไม่รู้นะจนบ้านผมที่อยู่ใกล้วัดเนี่ยผมก็เลยรู้อ่ะเขามีจัดเลี้ยงเลี้ยงสามวันเลี้ยงอะไรอ๋อเนี้ยงทําบุญคนได้นี่แหละเอเ อ, เอแล้วของเรานี่มันมาจากไหนอ่ะเหนนี้มีมุสลิมก็มาถามว่าเนี่ยไปร่วมในกองทุนชาปนกิได้ได้ไหมก็คือตอน ที่นอกจากเสนไม่มีใครเสียชีวิตก็เขาจะเชิญชวนพนัก ง, งานทุกคนในหน่วยเนี่ยช่วยช่วยแชร์กันหน่อยช่ว ย, วยได้ไหมเขาก็เอผู้เสียมมีงานศพ บ, บ้างเขาก็รวบรวมให้เหมือนกันถ้าเรามองว่าเออเราก็ให้เขาเขาก็ให้เราแค่นี้เนี่ยมันก็คือเรื่องผลประโยชน์ซึ่ง ก, แ, กแต่ละกันมันมีเรื่องศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องตรงนี้ ถ้าหากว่าเรารู้แล้วเข้าใจแล้วว่าเราร่วมไม่ได้เราก็ไม่ควรไปขอเขาด้วยนะช่วงมีงานศพมีจาระบีมีอะไรในมุสลิมก็ไม่ควรไปขอเขาเพราะถ้าเราไปขอเขาแล้วก็ช่วงงานศพ ข, ของเขาเราไปขอเขามันก็มันก็จะดูน่าเกลียดนี่บางเรื่องบางอย่างที่มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเราไม่ใช่ปฏิเสธเราก็ต้องชี้แจงให้พี่น้องต่างซาสนาได้เข้าใจด้วย ทั้งนี้มีบางเรื่องบางอย่างที่เราสามารถเชิญชวนให้เขาทําบุญแล้วเราร่วมทําบุญกับเขาโดยที่มันไม่ผิดหลักการศาสนาเช่นในงานศพอย่างเงี้ยเราก็รู้ว่าเอองานศพเขานี่โอ้โหเนี่ยบางทีนี่เขาเศร้ากันเป็นเดือนนะแล้วก็ครอบครัวบางทีก็ไม่มีเวลาเ ว, วลาทําอะไรเลยสุนัข น, นาบีนี่สจจมมติ เ, เพื่อนบ้านเป็นคนด่างสนิหรือเพื่อนเราเนี่ยเป็นคนด่างสนิท <c oughs> แล้วเขามีงานศพเอาเราทําอาหารไปช่วยเฉพาะในขครอบครัวเขาที่อยู่ที่บ้านถือกับข้าวแล้วก็ไปยกไปถึงบ้านนะว่านี่ช่วงนี้ช่วงนี้เราเดือดร้อนกันหน่อยนะไม่มีเวลาจะทํากับข้าวอันนี้ก็เลยทํากับข้าวเราจะได้เราจะได้ไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยในเรื่องทํากับข้าวนะได้ไม่เกี่ยวกับเรื่องศาสนาไม่เกี่ยวกับเรื่องพิธีกรรมหรืออะไรต่างๆนี่เป็นการเป็นการช่วยเหลืองนานเสียที่มนุษย์ทำ ทำความดีสําหรับเพื่อนบ้านเพื่อนผูงนี่นี่เป็นเรื่องที่ศาสนาส่งเสริมอยู่แล้วพี่น้องเวลาเขาจะมาบริจาคเรื่องมสัสยิดเนี่ยก็ควรที่จะเชิญชวนเขาทําในสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับมสัสยิดดีกว่าปลูกต้นไม้รอบรอบปรับทัศนียภาพอะไรที่ที่มันไม่เกี่ยวกับตัวอาคารมสัสยิดเชิญชวนเขาดีกว่าเพราะว่าอันนี้เนี่ยเป็นประโยชน์สําหรับคนทั่วไปแต่อันนี้มันจะเป็นเรื่องศาสนา และทางศาสนามันมีเงื่อนไขนะเรื่องผละบุญนะถ้าเราอยากได้ผละบุญ เ, เราก็ต้องศรัทธาต้องเชื่อมั่นโกนแต่แต่ตอนนี้ก็คงคงไม่ได้ศรัทธาเนี่ยมันก็ก็าไว้ทำอย่างอื่นดีกว่านะควรที่จะเป็นแบบนั้นนะครับอันนี้มันเรื่องมันเกี่ยวกับ จริงๆคือถ้าถ้าเป็นนักบรรยายบรญญายประเทศอื่นนะแล้วเข้ามาอธิบายอายะเนี่ยก็คงไม่ได้พูดประเด็นนี้เพราะประเทศอื่นก็ไม่มีไงไม่มีเน่ยบริบทเหมือนบ้านเราเนี่ยไม่มีหรอกอย่างคนซาอุดีอย่างเงี้ยเอ้บริจาคกรอยมีสร้างวัดจังไม่มีเขาไม่มีเขา็ขาคงไม่เจอหรือจะมีจะจะมีปีน้องแต่สนิทแล้วก็ไปเชิญชวนเขามารับบริรับบริจาคสร้างเมื่อสิเนี่ยอนนี้ก็ไม่มี <c oughs> แต่บางทีอันนี้ผมผมเปิดช่องไว้นิดหนึ่งนะครับบางทีมีสถานการณ์มีมีอะไรอะไรที่มันมันเหนือความสามารถของเราในการปฏิสิทธิ์ถ้าจะมีใครจะช่วย ไม่ใชมุสลิมอย่างเดียวบางทีก็ไม่ใช่มุสลิมนะบางทีก็เป็นเอ่อเช่นบางพื้นที่นี่ก็เกิดขึ้นเช่นมุนสลิมคนน่ยแต่รรมาเฟียเอาตัางมาเปึกหนึ่งพวกพวกนี้นี่ยเขาใช้เงินสดอย่างเดียวไงเขาไม่มีโอนหรอกต้องใช้เงินสดอย่างเดียวเอามาปางัปางปังหนึ่งล้านเคยเห็นมาเงินหนึ่งล้านเดี๋ยวมิวไม่เคยเห็นเละหนึ่งนะปาปังหนึ่งล้าน แล้วก็พังงปืนอีกกระบอกนึงอิมามผมต้องสร้างมัสยิดนี้ทั้งหมดเลยตั้งแต่เสาแรกจนทาสีห้ามคนอื่นให้มามไม่รับนีอ่อิมามเดี๋ยวผมซื้อกุโบให้มามไปฝังนู่นู่นเลย น, นี่จะทำยังไงอะไรประมาณนี้อาจจะไม่มีแบบนี้นะจะมีคล้ายคคล้า ย, า ย, ายผมไม่ต้องพูดให้ตรงตรงกันนะ คงเข้าใจกันนะก็ถูกบังคับว่าเออเขาต้องเขาต้องบริจาคใครใครจะห้ามนะอันนี้ก็ว่ากันดำคือตามวาระตามสถานภาพแต่ในกรณีที่เรามีสิทธิ์เลือกนะอะควรที่จะเลือกไม่รับบริจาคควรที่จะเลือกไม่รับบริจาคเรื่องศรัทธาต่อหน้าละล ว, วันปารลกจึงเป็นเรื่อง เป็นเป็นเงื่อนไขสําคัญเป็นเงื่อนไขที่เราเราตระหนักกันดีหมายถึงว่ามันปลุกฝังอยู่ในความสํานึกผมเจอคําถามเยอะเลยนะจากคนที่เคยเป็นมุสลิมหรือเป็นมุสลิมแล้วก็ถามถึงบุคคลที่เคยเป็นมุสลิมแล้วก็กระทําสิ่งที่มันทําให้ตกศาสนาเช่น ผู้ชายหรือผู้หญิงเนี่ยไปชอบมีน้องต่างศาสนิกแล้วก็ไปแต่งงานกันแล้วก็ลูดออกจากศาสนาเลยออกจากศาสนาศาสนาก็ไปไปไปไปวัดไปบูชาพระอะไรเงี้ยก็ตกศาสนาเลยแต่เอามให้ฮีนาเข้า่สำนึกตัวก็อยากจะกลับอยากจะกลับบางทีชาวบ้านที่ไม่มีความรู้อะไรเลย บอกว่าต้องต้องกล่ากคำิโมอไหมต้องอะไรไหมก็แสดงว่าเขาเข้าใจว่าคนที่ตกศาสนาอะไรเงี้ยเขาต้องเขาต้องศรัทธาใหม่ไงเขาก็ต้องปรับความศรัทธาใหม่บางทีเรามองข้ามว่าเออเขาที่เขาถามถามกันแบบนี้เนี่ยมันถามตื่นตื่นเพราะมันมีเรื่องที่อื่นที่ต้องทําต้องเตาบัดตัวต้องทําความดีต้องอะไรใช่ เพียงเขารู้อะตรงเก่ากาลิมอสนี่แสดงว่าเขาเขารู้ดีไงว่าเรื่องหลักการศาสนามันต้องเริ่มต้นด้วยละอีลาฮ์อิลอล allah ุฮัมมัดสุตุซึ่งเป็นเป็นเสาหลักเสาหลักของความศรัทธาแต่มีอีกประเด็นหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยซึ่งมีความคาดเคลื่อนผมก็ต้องชี้แจงในเรื่องนี้เผือพี่น้องรู้จักใครที่มีความเข้าใจความคิดแบบนี้เนจะได้เปรตเตือนเขาบ้าง มีพี่น้องมุสลิมบางคนเนี่ยเข้าใจว่าแค่ไปแต่งงานกับพี่น้องต่างซช้อนี่ก็ถือว่าตกมุดตัดแล้วหมายถึงว่าอันนี้ผมไม่ได้พูดในกรณีที่ผู้หญิงหรือผู้ชายมุสลิมไปแต่งงานกับผู้หญิงหรือผู้ชายมุสลิมอะ่ะแล้วก็เขารับอิสลามเขารับอิสลามแล้วก็มาเป็นครอบครัวมุสลิมอันนี้ไม่ใช่นี้อันนี้ย น, นี่โอเคถึงแม้ว่ามีมุสลิมบางคนที่ยังยังคิดยังคิด ความคิดที่มันคาดเคลื่อนแล้วมันมันมันเป็นความคิดเก่ามากเพราะว่ า, วายังไงถึงจะรับอิสลามยังไงก็ยังเขาม่เรียกมุสลิมนะยังไงก็ไม่ไม่ยู่มุสลิมเพราะอะไรเพราะเขาเข้าใจว่ามุสลิมต้องเป็นมุสลิมเดิมอันนี้มีมีอันนี้มีนนมแต่ตอนนี้น้อยแล้วน้อยมากน้อยแล้วต้องเป็นมุสลิมเดิมหมายถึงว่าเกิดมาเป็นมุสลิมจะเอมุสลิมแต่ถ้าหากว่ามามาเป็นมุสลิมที่หลังเนี่ย อันนี้เคยมีจริงแต่เดี๋ยวนี้น้อยน้อยมากละน้อยมากและส่วนมากก็ไม่ใช่คนที่มีความรู้นะอันนี้ผ ม, ไ ม, ไ, มไม่เป็นห่วงมากหรอกอันนี้เพราะเรื่องนี้เนี่ยมันมันคือมันชัดนะ่ะแล้วก็คนเราก็เริ่มปรับปรับความเข้าใจแต่อัที่มันเป็นปัญหาเนี่ยว่าผู้หนึ่งผู้ชายเป็นมุสลิมแล้วไปแต่งงานกับผู้หญิงที่ไม่ใช่มุสลิมและไม่รับชาดะไม่ยอมเข้าอิสลามเลย แล้วตัวผู้หญิงก็ยืนยันยื น, ย น, ยนยันนว่าเขาไม่ได้มุสืิแลกับประกอบเศรษฐกิจตามลักษณะของเขาวิถีชีวิตก็เหมือนเดิมเรื่องอาหารเรื่องกินอยู่หรือการแต่งกายก็เหมือนเดิมกินเหล้าอะไรก็เหมือนเดิมแหละ่ะแล้วคนนี้ไปแต่งเลยผู้ชายไม่ได้ไปแต่งเนี่ยบางทีนี่ก็อาจจะลหลงไหลไปในเรื่องบางเรื่องเช่นไปเที่ยวเหมือนเขาไปกินเหล้าเหมือนเขาอาจจะกินหมูก็ได้อาจจะ แต่เขายังไม่ได้ทําสิ่งที่มันเป็นชีริกงเงินใครสาคัญนะไปวัดไม่ไปหอไ้อยพระไม่หไม่ไม่หอยบูชาสิ่งอะไรสิ่งอะไรสิ่งของขังอะไรพวกนี้ไม่ทําเขาเข า, เขาก็รู้ตัวเรื่องนี้แต่ทําในเรื่องที่มันเป็นบาปใหญ่พอถือว่าการที่เขาไปแต่งงานกับคนั้นก็นถือว่าซีน่ากินเหล้านี่บาปใหญ่บางทีเขาอาจจะซื้อหวยด้วยบาปใหญ่กินหมูบาปใหญ่ น, นี่ทั้งหมดที่ว่าแต่เรื่องชีริกยังไม่เกิดขึ้นชีริกหมายถึงว่าชิริกบูชาสักระอื่นจากอัลลอฮ์แต่นี่ทั้งหมดที่เป็นบาปใหญ่ยังไม่ตกศาสนาสืบให้ดีนะมีอยู่ครั้งหนึ่งทํายังไงดีลูไกไปทำงานกับต่างนิกแล้วนี่ลูกต้องเก่ากาลิมไหมต้องสืบนะแล้วลูกแล้วลูกเขา ไปทางนู้นเลยอ่ะหมายถึงว่าค่อยพะอะไรอย่างงี้แหละเบาเบาเ บ, าบาลูกเองแล้วมาดอยู่ <c oughs> ก็เหมือนทั่วไปอ่ะคือวัยรุ่นเนี่ยวัยช่วง น, นี้หลงหลงไปดําผู้หญิงอะไรเงี้ยนะแล้วก็แต่แต่เรื่องศาสนานี่ยเขาก็ยังเข้าใจ ย, ยังยังยังตระหนักอยู่ลูกก็ยังละหมาดอยู่ <c oughs> อาแล้วก็อยู่เขาเขาก็ต่างคนต่างอยู่หมายถึงว่าต่างอยู่แบบศาสนานของเขาอ่ะคนนี้ก็ไปวาดคนนี้ก็ไปสุเหร่าไม่ว่ากัน เนี่ยเขา้าใจว่าลูกเขาตกศาสนาไปแล้วไม่ใช่ลูกเขายังไม่ตกศาสนาเพราะอะไรเพราะมันก็มีไงในสังคมเราก็เห็นไงแต่ถ้าต่อรอละวนบรโลกเนี่ยดำรงซึ่งกันละหมาดสกาดก็ออกแต่บาปใหญ่อื่นละ่ะก็ทาหมดเล่าก็มีเที่ยวก็มีนะจีนาก็มีกินดอกเบี้ยก็ ก็มานี่มีหเราหาว่าแต่มุสลิมคนนี้เน eh ี่ยเวลาเข้ามาส่เหร่านี่เขาก็ใส่บวกใส่สรงกลายเป็นเป็นความชัดเจนว่าคนนี้เป็นมุสลิมหรือครอบครัวนี้เป็นครอบครัวมุสลิมแนื่องจาว่าเขารักษาภาพลักษณ์ของเขานี่ความเข้าใจบางอย่างเราอยู่ในสังคมเขาวฒาธรรมเนียเราต้องเราต้องละเอียดมากกว่าที่อื่น เพราะความเข้าใจคาดเคลื่อนแบบนี้มันอาจจะทําให้คนบางคนเนี่ยสิ้นสิ้นหวังในศาสนาอย่างสิ้นเชิงก็เช่นเขาหลงไปกับผู้หญิงอย่างเนี้แล้วก็พ่อแม่เขาบอกว่าอย่างนั้นตัดขาดเลยแต่นั้วนี่ตัวตัวผู้ชายเนี่ยก็ยังก็ยังละมาอยู่ยังอะไรอยู่ใช่ไหมไอ้ น, นี้พอหลง ไ, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่แต่งงานตามที่พ่อแม่เขาต้องการเนไปแไปแต่งงานกับตา่างสนิทเนี่ยพ่อแม่เขาก็กดย่างั้นตัดเลย ตัดเลยไม่พูดไม่คุยไม่ให้ตังไม่ให้มรดกไม่อะไ ร, ราบางทีพอสิ้นหวังแล้วเนี่ยก็กอไปเลยแต่ถ้าอย่างนั้นก็ไปเลยก็ไปจริงเลยแต่ทีตอนแรกยังไม่ได้ไปนะก็ยังอันนี้เราก็ต้องต้องสร้างความเข้าใจนะครับเพราะส่วนมากในความคาดเคลื่อนในใ น, ในเรื่องสังคมเนี่ยมันก็เกิดจากความคาดเคลื่อนในเรื่องศาสนานั่นแหละ เราไม่เข้าใจบริบทของอิสลามความกว้างวากว้างของอิสลามเนี่ยและความละเอียดอ่อนของหลักการในมันเป็นยังไงถ้าไปสรุปในบางประเด็นชี้ขาดชี้ขาดแบบขาวดําเลยเนี่ยทั้งทั้งที่เรื่องบางเรื่องในมันก็ไม่ไม่ต้องชี้ขาดขนาดนั้นที่ดี ท, ท, ที่สุดเนี่ยก็ต้องศึกษาเรียนรู้ให้ดีสอบถามนะครับปรึกษาผู้รู้เราจะได้ไม่ไม่หลงในเรื่อง ا ل ل ه سبحانه وتعالى، ل َ ع َ ل ا ى ه َٰٓ ت س ن ى ك ت يَأْمُرُهُمْ بِالْحَقِّ وَيَحْلُلُهُمْ ب ِ ا ل ْ ح َ ر ا ج ِ و ا ل َ ه ُ م ْ عَذَابٌ ع َ ظ ا ل م ٌ واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهد القوم الظالمين. พว ت เจ้ و ไ د َ ي ْ ت เ ه า أ ج َ ل ت م พวกเَ้าได้ถือเอา سقاة ي الحج ا كان ه َ ي نمدم. الحج ا ِّ بركة بتي حج. وعمارة المسجد الحرام لك ان برهن. มัส jid อัลฮะรอมถือว่าการให้เครื Al ่องดื่มุริกมัส jid ฮะรอมแต่มันอบมานอบดลลาห์ว่ลยวมาแล้วดังผู้ที่ศรัทธาต่อ Allah แล้ววันพรุโลกว่าจะเดินใน سبيل Allah ละต่อสู้ในทางของ Allah กระนันรืออับดุลกซีร์ได้เรียนว่าอัลอาบบะสอัลอาบบะส กลขาชยบะอัลอับาสิบิน عبدال มุททัลิบกลขายบะอิบิน عبدال มุททัลิบสองคนนี้เป็นลุงของท่านนบีนสองรามบัตรสองขามบัรอัลอับบาสรับอิสลามแล้วแต่เชยบะเฮีงไม่ได้รับนะแต่ทั้งสองคนเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นลุงของท่านนบีเขาก็ไม่อยากออกสงครามกับพวกมักกาเนี่ยไปสู้รบกับนบี เขาตัวลาบัสทั้งเป็นลุงของท่านใน บ, บิบิลลาเขาทั้งเป็นมุสลิมด้วยชาบ้านนี่ก็เป็นลุงท่านใน บ, บีด้วยก็ไม่เขาก็ไ ม, ม่ไม่อยากออกแต่เขาถูกบังคับจากชาวมักกะให้ไปสู้รบในสงครามบัเตรเพาถูกบังคับแล้วมุสลิมชนะและมีเฉลยในจากกองทัพของมุสลิมีนของมักกะเนี่ยมีเฉลย หลายคนหนึ่งในนั้นน่ะที่ถูกจับเป็นเชลยเนี่ก็คืออลาบบัสและเตชีบะอา้อาวอล บ, บัสเป็นเชลยเนี่ยไงเป็นมุสลิมไม่เกี่ยวเพราะฝักไฟยอยู่ในแนวของศัตรูอิสลามแล้วอนะถึงแม้ว่าตัวเองก็ไม่ได้ชักดาบสู้กับใครเนนะแต่ก็อยู่อยู่ในอยู่ในกลุ่มของเขากลุ่มศัตรูก็ถือว่าเป็นบาปใหญ่ และเกือบจะถูกสังหารแล้วเพราะในเรื่องเฉลยเฉลยศึกของของสงครามบัดรเน่ท่านนบีประกษาอุมะร์อับดุลขัตบกับอบูบักรอุมะร์อับดุลขัตบ์นเสนอว่าว่าเฉลยเนี่ยเฉลยศึกเนี่ยให้ประหารหมดเลยเขาจะได้รู้แล้วรู้รอด ว่าเราเนี่ต่อไปนี่ยเราจะไม่ไ ม, ไม่ไม่ประนีประนอมกับใครแล้วเพราะเขาเนี่ยข่าพวกเราไม่ไม่รู้กี่กี่รอบกี่คนแล้วานท่านนาบีก็บุกษาอบดุบคาร์สดุดดีว่าจะทำยังไงเลยอบดุบคารก็เสนอบอกว่าไม่ต้อาหรอเราเรียกเราเราเรียกข้าไทยข้าไทยฉเฉลย อย่างน้อยเราก็มีรายได้จะได้ก่อกองทัพที่มีความแข็งแกร่งแล้วให้เป็นเงื่อนไขสำหรับคนที่เขาเขียนเป็นเนี่ยให้มาสอนลูกหลานมุสลิมของเราสอนท่านนาบีก็เลยเห็นชอบกับคำปรึกษาของอวบักแต่พระกุว่าอัลลอฮฺซุบฮานวะตะอาลาได้ประทานลงมา อายหนึ่งในสุร์อัลอัลอัฟาที่ผ่านไปแล้วเนี่ยท้ายๆของสุร์อเนี่ยเราก็เคยอธิบายไปแล้วอัลลอฮฺสนับสนุนสนับสนุนความเห็นของอุมารบนุลขะตอบเล็กติดนิดนึงความเห็นของอบมมักถึงขนาดที่ตอนท่านนบีได้รับอายะห์เนี่ยมาแก ن เนนนบีมัานห์เลวนอั يكون لهم أسرة حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة หล ل บติไปนิดหนึ่งว่ามันไม่บังควรสาหรับสาหรับนบีและผู้ศรัทธาที่จะมีเฉลยไว้สาหรับไยเงินอย่างนี้บอกว่าอัลลอฮ์กว่าตูรีดูนะาราตดุนยต้องการดุนยาหรือถึงกดีท่านนบีแล้วตรงนงร้องไห้ เราอุมารอนนั่คดบ้านนี่ไม่เห็นเอาวร์เขาอุมาร้องไห้บอกว่าร้องไห้เพราะ อ, อะไรบอกฉันให้ฉันจะได้ร้องไห้ด้วยท่านวนิวบอกว่าี่เรื่องเนี้แล้อัลลอฮฺสนับสนุนความเห็นของแต่แต่ผ่านพ้นไปแล้วอัลลอฮฺก็บอกว่าที่ตัดสินใจ ก, กันแล้วไปแต่คราวหน้านี่ก็ต้องมีความเด็ดขาดในเรื่องนี้เกือบจะไม่รอดแล้วอลอับบาสเกือบจะไม่รอดละแลลาอับบาสแล้วลลก็ใช่บ้านนี่ขณะที่เขาอยู่ใน ก็เหมือนในคุกอะนะที่เขากักขังอยู่ก็มีอาลียบนอับดุลอริบซึ่งเป็นหลานของอาลามบ้าและก็หลานของเชยบ้าเหมือนกันพราอคุณพ่อของอาลิบเนี่ยนะอบูตอลิบเนี่เป็นพี่ใหญ่เป็นพี่ใหญ่ของของลูกหลานอับดุลมุตตอริบจังหวอับดุลมุตตอริบนี่มีลูกสิบสองคนอบูตอลิบเนี่คือพี่ใหญ่พี่โต อาลี่นี่ก็ลูกลูกของอบูทาลิบเนี่ยก็มาตำหนิอัลอาบบาสแล้วก็ตำหนิใชบ้างตำหนิใชบ้านอยู่แบนี้ไม่ไม่ยอมศรัทธานี่ไม่ยอมเชื่อนบีในต้นเห็นไหมสภาพตัวเองเป็นยังไงแบบนี้แล้วก็ตำหนิอัลอาบบาสมาไปร่วมอยู่กับเขาคืออัลอาบาสเนี่ยอัลอาบาสนี่แค่ ยังเห็นใจพวกกุฟารมัก้าเนี่ยเข้ามาไม่ใช่ว่าจะเลวเลวซ้ำอย่างสิ้นเชิงอ่ะเขาก็ยังมีความดีอาบัสก็เลยพูดอาบัสเลยพูดว่ามาดมนีม่มาดมนี่พวกเราจะเรื่องชีริกเรื่องอะไรแล้วก็ไม่ไม่ไม่ดูเรื่องอื่นเลยอย่างฉันเนี่ยอาบอสบอกว่าฉันเนี่ยดูลเรื่องสิก่อยะสิ่งกอยะนี่ก็คือให้น้ำเครื่องดื่มกับฮอยาอย่างนี้แล้วชบ้านนี่หัน แล้วดูแลบูรณะมัสยิดบางรายงานของเหตุการณ์เนี่ยบอกว่าแล้วก็มีตอลฮะด้วยตอลฮะนี่ก็เป็นลูกชายอีกคนหนึ่งของอับดุลมุตัลิบเนี่ยเป็นพี่น้องกับเนี่ยแต่คนนี้เนี่ยถือกุญแจกาบอ่ะกุญแจท่านอาลีบเนี่ยเองาบอกว่ า, วาไม่รู้แหละคุณพูดอะไรอ่างอะไรความประเสริฐสําหรับชั้นนี่นะฉันเนี่ยต่อสู้ j ิ h า d กับท่านนบีแล้วและฉันก็รู้แค่นี้เนี่ยก็ถือว่าประเสริฐสุด رَسَلَتِيْ س ُ د ا ّ وَعَلَى هَذَا الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ ب ا ل ل َّ ه ِ وَالْيَوْمِ ا ل ْ آ خ ر و ج ا ه د في ِ ز م ي ل َ ة จะให้เรื่องการให้เครื่องดื่มบูรณะเท่ากับคนที่ศรัทธาอย่านี่สศรัทาาธา阿ลบับิโต้阿里นี่ยศรัทธาแลว้วก็ต่อสู้ในคนดววลลาดวขอเรา j i h a นจะให้มันเท่าเทียมกันยังไงละยสตานอินดลอเขาเหล่านั้นย่อมไม่เท่าเทียมกันณนะที่อัลล์เขาเหล่านั้นนะ่ะคือคนที่ คนที่บูรณากาสิทารมมคนที่ให้เครื่องเดือุณยะกับคนที่ชีเนี่ยเขจะไม่ถือว่าเท่าเทียมกับในชะในตราช่างอุลลัสหานาเหตุการณ์นี้เนี่ยที่อเหตุการณ์นี้นยมันเกิดขึ้นในสงครามบัตรปีที่สองแต่สุรัตอัตโตบานเนี่ยเราบอกแล้วว่าเป็นสุรัตที่ประธานลงมานู่นนะหลังพิชิตมาการแล้วเนี่ยปีที่เก้าปีที่เก้าอุลลามะบางท่นที่มาเป็นไปได้ มีอายะบางอายะในคุรานเนี่ยถูกประทานลงมาสองครั้งก็ได้หมายถึงถูกประทานลงมาครั้งนู้นแล้วก็แล้วก็อีกครั้งหนึ่งในแต่มันมี h า r ี su บทหนึ่งบันทึกโดยมัมมุสลิมบันทึกโดยมัมมุสลิมรายงานว่าในมิมบัตเนี่ยมิมบัตของท่านนบีมิมบัติมีในมิมบัตเนี่ย มันไปอยู่ข้างหลังแล้วเนี่ยเพราะตอนนี้เราก็ไม่ได้ละหมาดไม่ได้ละหมาดุมูมาที่นี่มิมบัตินบีเนี่ก็มีสาบาก่อนที่นบีจะขึ้นมิมบัติในคคดบ้าวองค์หนึ่งเขาก็น <Yeah. S 1> ั่งคุยกันใครประเสริฐกว่าใครประเสริฐกว่าคนที่บุรณะมัสิิดฮารอมหรือคนที่อำนวยอาหารเครื่องดื่มให้คนยาก หรือคนดี้จิฮัดชาวบ้านก็นั่งเถียงกันเถียงกันจนเสียงดังโวนี่นี่ดีกว่านุ่นดี่แสดงว่าความคิดเนี่ยมันก็ยังอยู่จนจนช่วงปลายๆอ่ะก่อนที่จะพิเศษชีวิตอันนี้ไม่สงครามบาตรนี่เลยไปแล้วนะออกมาเราัตาบ ab, ก็ได้เห็นชาวบ้านสามท่านเนี่ยหลายท่านเนี่ยเถียงกันแล้วก็เสียงดังบอกว่าเสียงดัง เดี๋ยวค่อยนบีขึ้นโุตุบ้านละหมาสุกเสร็จแล้วแล้วก็ข้าพเจ้าเข้าไปถามท่านเพราะไม่ใช่ใครก็ได้ที่คิดจะไปถามท่านนาบนีสอบาบะกะเขาก็ระวังตัวเพราะเขาตอบพรละหมาจุมาเสร็จแล้วเรียประเกรเข้าไปห า, า, า, าท่านนบีแล้วก็ถามว่าตกลงใครประเสริฐกว่าสอาบะกะเขาขัดแย้งกันใครประเสริฐกว่าในารื่งงานของสายมุสลิมเนี่ย คู่เร่งงานว่าฟ้านั้นี้ลจึงทานั้งั้นั้งัคนั้งัคนั้งัคนั้งั้นี่งั้นั้งั้นั้งั้นัรงั้นั้งั้นั้งั้นั้งั้นั้งั้นั้งั้นั้ดั้นี้บอกว่าที่จริงล้ว เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นไอญอนนี้ถูกประทานลงมาอนุสงครามบัตรจริงแต่สำหรับรายงานของชายมุสลิมเนี่ยผู้รายงานฮะดีษเนี่ยได้พูดไปคำานึงเป็นความเข้าใจส่วนตัวอันนี้ไม่ใช่หะดีษของท่านนบีก็คือฟ่อัลลอฮ์อัลลอฮ์จริงประทานลงมา คำเนี้ยอัลลอฮ์จึงประทานอาย่า น, นี้ลงมาเนี่ยอันนี้ไม่ใช่พูดของท่านนาบีเป็นความเข้าใจของผู้เรายงานฮะดิษบางคนจึงผูกพัพนว่าอาย่า น, นี้ถูกประทานมาเผยเหตุการนี้เนี่ยจากคำว่าฟาอันซาลลอฮฺอันซาลลอฺประทานลงมาอาย่า น, นีน้จึงเป็นความเข้าใจแต่มันไม่ใช่มันไม่ใช่คำพูดของท่านนาบีเอามาอ้างไม่ได้คือไม่ใช่นบีที่บอกว่าอ๋อ นบีบอกว่าอัลลอฮ์สุบฮานะตะตอบให้นะสำหรับคำถามนี้นี่คืออายานี่นบีไม่ได้พูดแบบนี้ออามาเรื่อข้อต่อมาทางนบีท่านบีก็เลยอ่านอายเนี่ยอ่านอายานี้ให้องค์หัวเราะฟังพูดไงง่ายๆก็เลยเขาจะเองว่าอ๋อแสดงว่าอายานี่เป็นคําตอบที่อัลลอฮ์ตอบคนที่ขัดแย้งกันแสดงว่าถูกประทานลงมาในเหตุการณ์นี้อิหม่ามกุลตบีผู้อธิบายความหมายอัลกุรอานนี่เขาบอกว่าเป็นไปได้ ว่าอายะนี้ถูกประธานลงมาตั้งแต่สงคารามบ้านโดยผ่านพ้นไปแล้วหลายปีแล้วก็ซาฮาบะก็อ า, กาอาจจะลืมก็ได้หรือจําไม่ได้พอท่านอัีมาถามท่านในมีคก็เลยว่ากันนี่อายะนี่ไงอายะนี่ไงมันเป็นคําตอบชัดเจนในเรื่องนี้สแสดงว่านักอถา ธ, ธิบายอัลกุรอานเนี่ยเหมือนจะให้น้ําหนักเหมือนจะให้น้ําหนักว่า อายานี้ถูกประทานลงมาในช่วงสงครามบาตรมากกว่าเพราะเหตุการณ์นี้มันมันเข้ากับสถานการณ์นั้นมากกว่าสถานการณ์อื่นๆแต่มันก็ติดขัดอยู่ประเด็นเดียวแต่มันไม่เคยมีคําตอบติดขัดอยู่ประเด็นเดียวว่าสุลตานอัลบาญี่โลามาดี้บอกว่าถูกประทาลงมาโน่นปีที่เ้านี่อาย่นี้ถ้าบอกว่าอ้ถูกประทาสงครามบาตร อุลมามางท่านก็ตอบว่าก็เป็นไปได้ว่าถูกประทานลงมาสองครั้งนี่คําตอบหนึ่งคําตอบที่สองเขาบอกว่าเป็นไปได้ว่าถูกประทานลงมางค ร, คค ร, ไไาราั้งเดียวแต่การใช้อายะนี่มันก็จะเป็นการใช้หลายครั้งแต่คนไม่ใช่ทุกคนที่เข้าใจไม่ไม่ได้เข้าใจว่ามันถูกประทานลงมาครั้งแรกครั้งเดียวซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่อุลามาได้ มีความเห็นที่แตกต่างกันในสุราที่เราอ่านกันทุกวันเลยสุราอัลฟาติฮะอุลามามีความเห็นสองทศนะทัศนะหนึ่งบอกว่าอัลฟาติฮะเนี่ยเป็นสุรามะกียะถูกบรรทนลงมาที่มักกะแล้วก็มีบางกลุ่มก็บอกว่าเป็นสุรามัเดนียะเป็นสุราถูกบรรทุนลงมาที่บทเป็นบทที่มัดีนา มีอุลามะบางท่านอย่างอิบนตัยมิยาและก็อิบนุกะซีนเนี่ยบอกว่าเป็นไปได้ว่าถูกประทานลงมาทั้งที่มักกะแล้วก็มัดีนาถูกประทานลงมาคําว่าถูกประทานลงมานี่หมายถึงว่าอิบรีลนามาสองครั้งนะแต่ที่ที่ตะเซนนะที่บอกว่าไม่ถูกประทานลงมาครั้งเดียวก็คือลงมาครั้งเดียวแต่นบีเนใช้หลายครั้งก็มีบก็เป็นไปได้ก็มีบางสุโรทั้งหมดเลยเนี่ยเป็นมักกะแต่มีบาง สุรห์บางอายะเนี่ยเป็นมาดเนียหรือทั้งหมดเลยเนี่ยเป็นมาดียะเป็นมาดเนียที่ถูกประธานลงมาช่วงหลังแต่มีสองสามอายะที่ถูกประงมาช่วงแรกในมดีนะสุรุลบากรอนี่มีเยอะเลยอัลบากรอนส่วนมากเนี่ยถูกประธานลงมาในช่วงแรกๆตอนที่ท่านนบีนะอพยพมาจากมักกะไปมาส่วนมากแล้วก็มีบางส่วนที่ถูกประธานลงมาช่วงหลังก็มี อันนี้มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องวิชาการด้านอ ธ, ธิบายอัลกุรอานอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเนะื้อหาโดยตรงแต่มันก็พอที่จะอธิบายาศาสนประวัติให้เราได้เข้าใจบ้างนะครับว่าเหตุการณ์มันเป็นยังไงทีนี้คำว่าลายิสตอูนั่ละลออันเนี่ย لا يستوون عند الله قولاً يوم ما يتهوّم น ن ناتي นะ الله อันนี้มีบทเรียนสำคัญที่สามารถขายายความมากกว่าเนื้อหาที่มีอยู่ในอายะ์ในอายะนี้หนึ่งแสดงว่าอัลลอ์มีตาช่าง عند الله นี่อัลลอ์มีตาช่างและตาช่างของอัลลอ์นี่ไม่เหมือนตาช่างของเรา เรามองอย่างหนึ่งเราคิดอย่างหนึ่งเราช่างอย่างหนึ่งแต่สําหรับอัลลอฮ์นี่อีกอย่างหนึ่งและนี่มันเป็นตัวพิสูจน์ไงนักบางคนนี่นะคนที่บูรณะมัสยิดฮารอมนี่โอ้สุดยอดแล้วแล้วเขาบอกว่าสําหรับอัลลอฮนี่นะคนที่บูรณะมัสยิดฮารอมแต่ไม่ได้สัตย์ต่อหลั่งเลวันบรโลกไม่ได้ไม่นด้ละมาดไม่ได้ย่อมบุเสกกว่า จึงเป็นเรื่องที่เราต้องปรับความเข้ า, า, ขาใจอย่างหนึ่งต้องปรับความเข้าใจให้เป็นความเข้าใจที่มุสลิมเยอะนะครับหลงประเด็นหลงประเด็นนิดหนึ่งในสายตาของมุสลิมจำนวนเยอะมากนะครับในบระชอิสลามเนี่ยว่าแผ่นดินฮะรอมเนี่ยเป็นแผ่นดินที่ศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหม แต่เราไปเข้าใจกันเองนะเข้าใจด้วยนะเข้าใจยังไงคนที่อาศัยอยู่บนแผ่นดินฮารอมนี่ก็เป็นคนศักดิ์สิทธิ์ด้วยจริงมไหมละ่ะจริงไหมะละ่ะยิ่งแต่ใส่โต๊ะแล้วก็ใส่ไอน้นี่เ ข, ขาต้องเป็นบบอะไรเทวดาอ ะ, อะไรแบบอะไรแบบสุดยอดอ่ะยิ่งถ้าเป็นผู้ปกครองเป็นผู้นําประเทศของเขาเนี่ยโอ้โห อ, อันนี้เรื่องจริง บ้านเราก็มีที่อินเดียนี่เยอะนะอินเดียปะกีนี่เยอะนะพอมีคนซาอุดีหรือคนมาจากคาบสมุทรอาหรับนี่แหละแต่งชุดอาหรับนี่แหละโอลูกหลานสหาบ้าใครๆที่มาจากข้าคือลูกหลานสหายทั้งหมดเลยซึ่งการที่เราจะให้เกียรติอาหรับโดยรวมเนี่ยมันก็มันก็ไม่ผิดไม่ผิดอะไรอ่มันมันก็ได้อ่ะแต่ เ, เช็กเช่นที่เราบอกว่า เหมาวความชั่วกับคนที่ไม่เกี่ยวข้องไม่รู้อินุ่ยหมายถึงว่าสมมติว่ามีชุมชนหนึ่งมีคนทำความชั่วเอาไว้ชุมชนนี้ทั้งชุมชนเนี่ยชั่วก็ผิดใช่ไหมเฉษเทนี้แหละในชุมชนเนี่ยคนชั่วและมีคนดีที่เรารู้จักกันอ่ะมีคนดีอยู่บางกลุ่มเฮ้ยชุมชนนี้ทั้งชุมชนเนี่ยเป็นคนดีเหมาแบบนี้ก็ผิด แบบนี้ก็ผิดแบบนี้ก็ผิดใช่ดิและบางทีเนี่ยการเหมาคนชั่วเป็นคนดีนี่นะบางทีเนี่ยมันร้ายแรงกว่าเหมาคนดีว่าเป็นคนชั่วเพราะการเหมาคนดีเหมาคนชั่วว่าเป็นคนดีเท่ากับเป็นการยอมรับในความชั่วของเขาหรือสรรเสริญความชั่วของเขาเหมือนที่เราเห็นกันตอนนี้ถ้าเป็นไปได้นะครับในยุคหนึ่งอ่ะ ในประเทศซาอุดีก็าตามหรือในประเทศอาหรับส่วนมากอะความดีเนี่ยมันเข้มข้นเข้มข้นกับความชั่วเข้มข้นใครคิดจะทําความชั่วทําอะไรเนี่ยมันมันค่อนข้างยากยากจริงๆถ้าง่วเนี่ยต้องต้องแอบทําอะแต่ตอนนี้เนี่ยมันไม่ใช่แล้วความบังอาจของคนในแผ่นดินฮารอมรวมถึงผู้นําประเทศ ที่ให้ความช่วเนี่ยมันถูกยอมรับโดยกฎหมายโดยปริยายก็เหมือนประเทศอื่นๆนี่ยที่ไม่ใช่ประเทศอาหรับไม่ใช่ประเทศมุสลิ ม, มนะเวลาจะทำให้อะไรความช่วเนี่ยมันถูกกฎหมายกะตรากฎหมายขึ้นมาให้มันถูกกฎหมายซะมันก็มันก็อนเดียวกันนั่นแหละมันก็อนเดียวกันนะให้คนเข้าใจบ้านเราเนี่บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันมีกฎหมายฉะนั้นคนคนทุกวันนี้เนี่ย กล้าดูดกัญชาแต่ไ ม, ม่กล้าไม่กล้าตอบสาธารณะนะกล้าดูดกัญชาแต่ไม่กล้าดูดบุรีบุหรีไฟฟ้าเออแปลกแปลกจริงนะแล้วก็ไอ้บังของพรรคพรรคกัญชาเนี่ยก็ยังบอกว่านี่ต้องออกกรอบอกมาจะได้บร้อยทุกอย่างก็เหมือนกันแหละเหมือนกันแหละแต่ก่อนนู้นใครใครจะคิดละ่ะประเทศซาอุดิอาระเบียนี่ อถึงเวลาอาซาลเลยเ a ่ไม่มีมมนะร้านที่จะเปิดร้านห้างหรือตลาดที่จะเปิดไม่มีมมนะตลาดสดนี่ต้องปิดนะเอาผ้านี่มาคุมแล้วก็ไปละหมาดไม่สิไม่อยากจะไปละหมาก็ต้องแอบไปอยู่ในร้านผมเนี่ยเคยเข้าไปตัดผมม่นนะตัดไปแล้วครึ่งหนึ่งอ่ะจําจำได้เลยอตอนนั้นเป็นยังเด็กอยู่ตัดไปแล้วครึ่งหนึ่งอ่ะอาซาลมากริบ ป, ปะดีเลยจแม่เลย ออกมาหน่อยเขาเขเรียกแล้วเขาเรียกละมาดแล้วเขาไปละมาดนี่กูแล้วผมนี่จะไปละมาดยังไงในสุราวดัดไปละคผมจะเม่นเลยต้รอหน้าร้านนี่นายตัดไปครึ่งหนึ่งตอนนี้แหละคนละเรื่องใค้จะคิดล่ะใครจะคิดว่าเหตุการณ์นี่มันจะมันจะแย่ถึงขนาดนี้ไม่ใช่นะ ولا มาจามีอุล a มาจะมีว่าลีดะกอนุนนะารับว่าคดาสตุคดาสตุของที่ไม่ได้เป็นการคุ้มครองคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ไม่ใชว่าเออเป็นภูมิลำเนาเป็นมกกะแสดงว่าเขาก็สักดิ์สธ์เหมือนมกกะคนภูมิลำเนาอยู่ที่มาดีนโอโหแสดงว่า แสดงว่าเป็นคนเลิศเป็นคนบริสุทธิ์เหมือนเหมือนมันมนสยิดนบีนะ่ะไม่ใช่หรือไม่ใช่เลยต อ, อ, อนผมวัยรุ่นอยู่ที่มักกะนีนะ่ะก็เป็นที่รู้กันเป็นข่าวที่ลือกันที่รู้กันนะ่ะไอ้พวกคู่รักเนี่ยนัดกันที่มัสยิดฮารอมานะ่ะแฟนนะ่ะผู้หญิงกนนะับผู้ชายนัดกันเจอกันน่นะแล้วก็ตั้งชื่อเสาเสาในมันสยิดฮารอมนี่เป็นชื่อดาราชื่อดารานะักร้องนะักแสดงอันนี้ เสาโดนไปเจอกันเสาคนน้นนะเสานักดารเป็นที่รู้กันไม่เกี่ยวแล้วคนชั่วที่อยู่ในรอบๆพื้นที่ที่ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยก็จะไม่ทําลายความศักดิ์สิทธิ์ของแผนดินเพราะกาบ้านนี่เคยมีมุชริกินล้อมกาบ้ายอยู่แล้วเคยมีเจวิตล้อมกาบ้านเนี่ยสามร้อยกว่าตัวไม่ทําให้กาบ้านเนี่ยหมดความศักดิ์สิทธิ์ของมันเช่น มุสลิมก็เหมือนกันบีบอกผู้ศรกัทธาเนี่ยจะไม่สโครกถึงแม้ว่าผู้ศรัทธานี่ยตกไปอยู่ในท่อขอโทษ น, นีนมีแต่ะาวะอุจราระอย่างเดียวแต่มุสลิมผู้จะไม่สโครกที่จริงเนี่ยหะดีสเนี่ยในเชิงนำ ม, ม, มาทำมากกว่าในเชิงามานำมามากหมายถึงว่า ผู้ศรัทธาเนี่ยไปอยู่ในพื้นที่ที่ไหนที่มีแต่ความโสโครกแต่ตัวเขาเนี่ยจะไม่โสโครกเขาจะกินเหล้าแต่เขาไม่กินเหล้าเขาจะซีน่าแต่เขาจะไม่ซีน่าเขาจะกินดอกเบี้ยแต่เขาไม่กินดอกเบี้ยผู้ศรัทธาจะไม่กินดอกเบี้ยเขาจะเล่นการพนันแต่เขาไม่เล่นการพนันก็จะดูกัญชาติแต่ก็ไม่กัญชาติเตัวประหลาดเลยแต่นี่คือความบริสุทธิ์ของผู้ศรัทธาเราจึงต้องศึกษาเรียนรู้ตราชั่งของอัลลอฮฺสุบฮานาอูตะละ ป้องกันไม่ให้เราขาดคิดไม่ให้เราช่างน้ำหนักสิ่งบางสิ่งบางอย่างบางคนด้วยตราช่างของเราและผลการช่างของเราอาจจะสวนทางกับการการช่างของอัลลอฮฺสุบฮานะวะะก็หมายถึงว่าเราจะประเมินคนในะวะ่าคนนี้เป็นคนดีแต่เขาอาจจะเป็นคนชั่วนะอัลลอฮฺสุบฮฺฮานะวะะกะเรื่องนี้ถ้าเราไม่ ยึดในตราช่างของอัลลอฮฺสุภาหน้าว่าความขัดขคลืนขาดเคลื่อนแบบนี้มันจะเกิดขึ้นบ่อยจะเกิดขึ้นบ่อยครั้งและที่ดีที่สุดเราจะได้มีมาตรฐานตาช่างของอัลลอฮฺสุภาคือศึกษาเรียนรู้อัลกุรอานนี่หละศึกษาเรียนรู้อัลกุรอานแล้วเราจะเราจะเข้าใจว่า ความชั่วนี่คืออะไรความดีนี่คืออะไรคนชั่วนี่คือใครคนดีนี่คือใครและเมื่ อ, อไรจะเรียกว่าคนนี้เป็นคนดีหรือคนนี้เป็นคนชั่วซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยก็มีความคลาดเคลื่อนเยอะเรามักจะปล่อยความรู้สึกอารมณ์ส่วนตัวนี่เป็นมาตรฐานคนที่เราชอบอะส่วนมากจะเป็นคนดีเนาะ ขอให้มีคนมามายืนยันแค่ไหนว่าเขาไม่ใช่นะถ้าเราชอบไงคนที่ชังอ่ะคนที่เราไม่ชอบเลยอ่ะขอให้โลกนี้ทั้งหมดนี้อิจฉาเอกฉันว่าเ็าเป็นคนดีนะในสายตาเราก็ยังเป็นคนเลวอยู่ดีสายตาของเราจริงไม่เป็นที่ไว้วางใจเสมอไป เพราะเพราะสายตาของเรานี่มันก็อาศัยข้อไท้จจริงตามบริบทบริบทของโลกเนี้ยอัลลอฮฺปกาว่าในคุรานนะเกี่ยวกับน้ำพึ่งอ่ลเราบอกว่าฟีฮีฟีฮีชีฟาอุลิลนัสในน้ำพึ่งเนี้ยชีฟาอุน ยาบับดลินนาสรบรมมนุษย์ชาติทั้งหลายส o อาบะคุนิงน้องชายเขาเนี่ยท้องร่วงขี้ไหลก็ไปปรึกษาท่านนาบีนบีก็บอกว่าอิสตีฮีอัสรันให้เขาเ ด, เดื่มน้ําพึง่งซะใหดื่มน้ําพึ่งดื่มน้ําพึ่งแล้วก็มาหาท่านนาบีบอกว่ายังไม่หายท้องยังขี้แตกท้องร่วง นบีก็เลยบอกว่าอิสติฮิยาสลัมให้ดื่มน้ําพึ่งซะเขาก็ไปดื่มน้าพึ่งยังไม่หายอีกก็ไปหาท่านนบีอีกยังไม่ยังไม่ห า, า ata, ยเลยอ่ะทองร่วงนบีก็บอกว่าอิสกิฮิฮังสอิสกิฮิยาสลัมให้ดื่มอีกเาก็ไปดื่มยังไม่หายอีกก็มาบนกับท่านนบีท่านนบีนนบตอบยังไง صدق الله وكذبت بطنه أخيك الله พูดจริงเสมอท้องน้องชายแกนี่แหละที่โกหกที่นบีเห็นที่ซาบะคนนี้เห็นก็คือท้องยังร่วงแต่ทีท่อัลลอ์บอกว่าฟีชีฟะอุนบีไม่บังอาจเลยนะที่จะคิดไม่จะคิดนะว่าแสดงว่า นน้ำพึ่งแล้วแต่ไม่หายแล้วแสดงว่าน้ำพึ่งมันบําบัดยังไงอะนบีก็เลยยืนยันกับเขาว่าของเราพูดจริงเสมอแต่เหตุการณ์ที่ทอ้องร่วงเนี่ยมันก็อาจจะมีเรื่องอื่นมีปัจจัยอย่างอื่นและน้าพึ่งของอัลลอฮ์นี่ทําให้ต้องหายแน่นอนมีนักวิทยาศาสตร์แล้วก็แพทย์เนี่ยได้มาวิเคราะห์เรื่องนี้เขาบอกว่า น, น้ําพึ่งเนี่ยมันมีเรื่องนี้เขาพิสูจน์แล้วทางวิทยาศาสตร์น้ำพึ่งนี่มันมี <c oughs> มันมี เหมือนเป็นยาฆ่าเชื้ออยู่แล้วและความหวานของน้ำพึ่งเนี่ยมันทำให้เชื้อต่างๆโดยเฉพาะที่อยู่ในลําไส้เนี่ยสามารถฆ่าได้แต่มันไม่สามารถฆ่าด้วยดื่มน้ำพึ่งอึกหนึ่งช้อนหนึ่งเราก็ดื่มน้าพึ่งอึ่งยิ่งถ้าเป็นน้าพึ่งของแท้นี่มันอาจจะคือตอนนี้เนะนี่ยน้าพึ่งเนี่ยมันแพงช่วงเนี้ย น้ำพึ่งนี่มันแพงแพงนี่เพราะมนุษย์ติดทำลายธรรมชาตินะทำลายป่าแล้วก็ทุนน้พึ่งมันอยู่ไหนอ่ะเพึ่งมันอยู่ไหนอ่ะมันอยู่บ้านมันอยู่ในป่าเราก็ไปทำลายป่าและที่มันเหลืออยู่นี่นะที่เพิ่งที่ไอ้ที่อยู่ในป่านี่ไม่รู้มันไปไหนแล้วนะ่ะมันไม่มีแล้วผมมีแล้วนะ่ะหมดละที่อาศัยอยู่หมดละ มันก็ไปนหนีหนีไม่อยู่ที่อื่นนะเอาไปหนีหนีไปอยู่ที่อื่ น, นะ น, น, น, นแต่มันก็ยังมันวนไปเรื่อยมันไปหาดอกไม้ไปหาที่กินของมันใช่ไหมเราเนี่ยก็ไปใช้ยาฆ่ามแมลงฆ่าอะไรเนี่ยนะเพราะแม้กระทั่งปุ๋ยเขาบอกว่าปุ๋ยอะนะปุ๋ยเคมีเนี่ยที่เราใช้เนี่ยปลูกดอกไม้ปลูกลยายําไยปลูกอะไรเนี่ยมีเหรอปุ๋ยไม่ลําไยไม่มีปุ๋ยอ่ะ แล้วมีไรไม่มีปุ๋ยเคมีมีเหรอไม่งั้นมันจะมันจะเป็นลูกใหญ่แล้วมันจะหวานช่าแล้วนะแล้วเนื้อมันจะเยอะมันจะมากกว่าลูกมันจะว่าอย่างเม็ดของมันยังไงอ่ะมันต้องมีทั้งปุ๋ยทั้งอะไรเขาบอกว่าอันนี้เป็นงานวิจัยแล้วก็ล่าสุดเนี่ยในประชุมของไอเรื่องไอเรื่องภูมิอากาศเนี่ยเขาก็พูดประเด็นนี้นะสาเหตุที่ทําให้โลกนี้เปลี่ยนแปลงเยอะเนี่ย ระบบนิเวศเนี่ยโดยเฉพาะพึ่งเนี่ยเกิดเรื่องปุ๋ยการเราน้ํามือของเราเนี่ที่เราไปทําลายพึ่งเนี่ยจนสุดท้ายเนี่ยเราต้องไปเลี้ยงพึ่งเองแล้วก็เลี้ยงพึ่งนี่ยก็ไม่ได้พ้นนะเพราะเขาบอกว่าที่อเมริกาเนี่ยฟาร์มเลี้ยงพึ่งหนูเป็นร้อยไร่เลยอะ่ะตายหมดเขาบอกว่านั่งหัวใจกันนี่ยเป็นเป็นเป็นสิบ ป, ปีเลยนะไม่พบปนาเพราะอะไร พรานักวิจัยนักวิทยาศาสตร์สถาบันนักวิทยาศาสตร์ถูกควบคุมด้วยทุนของโรงงานผลิตปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลงปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลงเนี่ยไม่แพ้มาเฟียของสิ่งเสพติดนะ่ะจะบอกไว้ไม่แพ้เลยนะต้องผ่านไปเกือบยี่สิบปีนะจนกว่าจะมีนักวิทยาคนหนึ่งอิสระหน่อยเนี่ยไปคนนะ้น่ะเจออ๋อที่ พึ่งที่ตายไปเนี่ยเป็นล้านล้านตัวเนี่ยก็มาจากปุ๋ยมาจากสารเคมีเนีย่ยขมาลยก็แน่นอนการผลิตน้ำพึ่งนี่มันก็น้อยสุดท้ายน้ำพึ่งมันก็ต้องแพงใช่ไหมเราในเวลาจะกินจะรักษาน้ำพึ่งเนี่ยเราเข้าใจว่าอ๋อกินน้าพึ่งตกินช้อนหนึ่งช้อนหนึ่งมเหนหายเลยกินช้อนหนึ่งแล้วก็หายเจ็บคอหายหวัดหายอะไรกินช้อนหนึ่งไม่ใช่ มันต้องกินเยอะนะ่ะต้องกินนี่ถ้าจะรักษานะี่ยน้ำผึ้งถึงจะรักษาแต่ใครจะไหวล่ะจะซื้อน้ำผึ้งแท้แล้วก็จะมารักษาเพราะเราไม่ไหวแล้วก็เหตุการณ์ของสาบาสนี่ก็เป็นไปได้คือก็คงไปให้กินครั้งหนึ่งสองครั้งสามครั้งแล้วยังบ่นอยู่เ อ, อ้ยไม่หายยังต้องกินอีกมีที่ไหนล่ะโดสยาอะไร ไอ้ฆ่าเชื่อเนี่ยแกแอ็เซปต์เนี่ยกินสามเม็ดมีมะกินยาสามวันอย่างเงี้ยหมอยกินสามวันเขาบอกเขาต้องคุมโดสแล้วโดสต้องกินทุกหกช่วโมงอ่ะนี่ขนาดยาของมนุษย์เองเนี่ยเราก็ต้องใช้เวลาแต่ที่มาเรื่องที่ศาสนาบอกว่าเป็นยาหาบาตุเสดะอย่างเงี้ยกินแล้ะเม็นหายเลยนั่นเพิง่งกินแล้ะเม็นหายเลย แต่ยายาของมนุษย์นี่ไม่เคยนะมีใครอยากล้าไปบอกมอครผมกินแล้วไหนื่อยหน่ายไปพูดบ้างดิก็เท่ากับด่าหมอไงรักษาอูไม่เป็นนั่ไงคือบางอย่างนี่อย่างที่ผมบอกว่าสายตาของเรานี่มองอย่างหนึ่งแต่สิ่งที่ Allah ได้บอกแล้วเนี่ยมันเป็นอีกอย่างหนึ่งเราต้องเชื่อมั่นในสิ่งที่ a า l a h ได้บอกไว้สิ่งที่เราได้เห็นในบางทีนี้ บางทีนี่มันต้องมันต้องเก็บไว้ก่อนเพราะเราไม่รู้ว่าข้อที่จริงแต่ที่อัลลอฮ์พูดเนี่ยย่อมสัตว์จริงเสมอซึ่งเรื่องนี้สำคัญมากนะครับในการที่จะให้พวกเราได้ระมัดระวังในการวิเคราะห์ตัดสินผู้อื่นในแง่ดีหรือในแง่ชั่วก็ตามตัดสินคนอื่นผมเคยพูดเรื่องนี้ ไอ้รอบละตอนในสังคมเนี่ยมีกระแสมีกระแสวิภากษวิจารณ์วิภากวิจารย์คนที่ทำบินาหรือคนที่มีแนวคิดไม่ถูกต้องบางอย่างมงก็บอกว่าเรานิสตากันทุกคนในมุสลิมพูรู้ไม่มีพูรู้สตากันหมดแล้วัวนกียมานเนี่ย จะมีตราช่างใช่ไหมมีตราช่างและในตราชั่งนี่ช่างความดีตรงนี้แล้วก็ความช่วยตรงนี้ใช่ไหมเราเชื่อกันแบบนี้ใช่ไหมแล้วเราเชื่อกันว่าทุกอย่างที่เป็นความดีก็จะถูกชั่งตรงนี้ทุกอย่างที่เป็นความช่วยก็ถูกช่างทางซ้ายใช่ไหม Kid. ความคิดก็เหมือนกันใช่ไหมความคิดที่ดีก็จะถูกช่งางกับเรื่องดีความคิดที่ไม่ดีก็ถูกช่างกับเรื่องในเรื่องที่ไม่ดีคนวันเกียรมานี่ สมมุติว่าเขาทำบิดาหรือก็มีความคิดผิดเพี้ยนอะไรบางอย่างก็จะถูกช่างความชั่วของเขาหรือความคิดถูกช่างขังซ้ายแล้วเขาจะมีไม่มีความดีเหรอือเขามีละหมาดไหมและละหมาดที่ถูกช่างที่ไหนคือที่เราเห็นกันกันกบสายตาเนี่ยคนในสังคมละหมาดเขาก็ละหมาดเหมือนเราทุกอย่างถือสิ่งหนก็เหมือนเราฮาร์ก็ทําเหมือนเราด้วยแต่บางทีในมีอะไรที่ ไม่ไม่ทำเสียนทำบิดาเสียนทําอะไรบางอย่างอผมเคยยกตัวอย่างคุณไปตัดสินคนที่เขาทาบิดานนิว่าการงานของเขาใช่ไม่ได้ความดีของเขานี่ยเอาเราไม่รับตัดสินได้ไงทั้งนั้นที่เราก็รู้กังวลเกียร์มากนี่ยเราจะเป็นคนตัดสินเขาละหมาดเราเห็นเข า, เขาละหมาดเหมือนเราเพียงแต่เรื่องเดียวเนี่ยเขาทำบิดาเสินเขาสลรวัตรหลังละหมาด ห, หรือเขาฉลองมูริดนบีน่ ถ้าเราเห็นว่าเรื่องที่มันบินาก็แยกดีแยกแยะอะไรที่บันดียแล้วก็ตีเปอร์เซ็นตไปเลยคนเพราะนี้คือตางชาติของล l l a h อัลลอฮ์สุบฮานะวะตะละบอกว่าอินนัลลอฮะลียดลิมุมิสกาลละซารอัลลอฮ์จะไม่อะทำแม่แต่ละอองทุลีนี่นีงอัลจะไม่อะท็หมายถึงว่าเราทําความดีถึงแม้ว่าจะน้อยนี่กระดังอัลเราจะไม่ไม่มองข้าม เราก็ทําตามตาช่างหอลเราสิคนนี้อ่าเขามีความดีเท่าไหร่ผมเคยสมมุติฐานนะครับสมมติามีคนหนึ่งมีบิดาเท่าไหรบิดาลกี่บิดาร้อยหนึ่งไหมที่มานั่งนับกันนะ่ะนะที่เขาคุยกันนะ่ะไม่ถึงสิบไม่ถึงสิบห้าเขาคุยที่เป็นประเด็นนะ่ะเป็นประเด็นบนเวทีกันนะไม่ถึงสิบห้าเรื่องอ้าวนี่นะที่ไม่พอใจใช่ไหม อ่ะผอ่านความดีละมาศการหาทำความดีสั่งโรงเรียนสั่งม ส, สินี่เขาทำกันหมดเลยนะเขาทำหมดเลยนะช่างดิดูข้อนี่กี่เปอร์เซ็นดีกี่เปอร์เซ็นไม่ดีเนี่ยและ้วกะ็ตัดสินตามนั้นถ้าเข้าดี 95% ้าสบห้าปซนและมีชั่วอยู่ฮะโอ้ยถ้ามีคนแบบนี้นะบอกผมด้วย เก้าอร์็ดีแล้วก็ห้าปอร์เซไม่ดีเนี่ยถ้ามีคนแบบนี้เนี่ยนี่อันนี้แค่สมมุตินะแต่ถ้ามีจริงเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นถือว่าเป็นคนดีเลิศแล้วนะแต่ที่มันดีกว่านั้นน่ะเราอย่าไปเสียเวลาในการคิดบัญชีคนอื่นคนนึงกี่เปอร์เซ็นต์คนนึงกี่เปอร์เซ็นต์คนแล้วตัวเองอ่ะกี่เปอร์เซ็นต์น่ะซึ่งตัวเองนี่เราเองอ่ะตัดสินเราเองอ่ะนะโอ้โหนี่ มองทะลุ ป, ปูปองเลยนะชัดเจนเพราะเรารู้ไงเรารู้ว่าอะไรไม่ดีของเราเราก็รู้ดีเรามาใช้เวลาในการคำนวณเนี่ยโกหกไปกี่ครั้งทำความไม่ดีไปกี่ครั้งมองสิ่งอารอมไปกี่ครั้งและยิ่งทัดละเอี่กวกานีละมาดละมาดไม่ขูชั่วไปกี่ครั้งถ้าเราไปคิดแบบนี้หนูมันยิ่ง มันยิ่งทําให้เราต้องระวังมากขึ้นในการตัดสินตัดสินคนอื่นัลลอฮุลลาฮิอันดิลกอุมอัลลอฮมินลลอร์นั้นจะไม่ส่งแนะนําไม่ให้ทางนำกลุ่มชนที่เป็นผู้อธรรม คุ่นที่เป็นผู้อธรรมเนี่ยอันนี้พาดพิงถึงคนที่คนนี้ไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮละวันปรโลกเพราะถือว่าเป็นความอธรรมที่ยิ่งใหญ่ดังในย่ในสุรลุคแมนที่อัลลบอกว่ายาบุนัยละตุชริกบิลละอินนัชชริกลุโวลมุนอาดิมลูกเอ้ลูกเอ้ จงอย่าตั้งภาคีกับหล่อแท้จริงการตั้งภาคีกับหล่อนี่ดุลมุนอาซีเป็นการอธรรมอย่างมหาศาลแสดงว่าเราพาดพิงถึงใครอ่ะถึงมุชลิกเนี่ยที่เขาตั้งภาคีกับหล่อแล้วก็คิดว่าบูรณะมะสัสยิดฮะรอมบุรณะมะสัสยิดฮะรอมและใเครื่องดื่มอาหารกับคนที่มาแสวงบุญเนี่ย เขาถือว่าเขาเขา้ารอดต่เาบอกว่าไม่ใช่ไม่เป็นไม่เป็นทางที่เที่ยงธรรมที่ยงรัศมีฐานวดานและโปรดปราณคนที่คิดว่าความดีของเขาบางอย่างที่สามารถลบล้างหรือจะกลบความชั่วที่ใหญ่หลวงเรื่องนี้มันก็ต้องทำให้เราคิดแสดงว่า แสดงว่าทำชิริกเนี่ยหรือทำบาปอะไรบางอย่างมันอาจทำให้เราไม่รับทางนำจากอัลลอ์ได้หรือได้อันนี้อุลมะมอัคบอกว่ามันเป็นชุกชุ ม, มูลมารเซียเป็นสิ่งเลวร้ายสิ่งเลวร้ายของบาปที่มันจะตามมา บาปนี่มันไม่ได้ชั่วที่ตัวบาปอย่างเดียวคือทำบาปแล้วก็จบทำบาปดื่มน้ำ่อมดูดกัญชาสูบบุหรี่ทำดินาหรือมองสิง่งแารอมทำอะไรที่มันไม่เหมาะสมที่มันไม่ถูกต้องตามหลักการศาสนาแล้วมันกจ็จบไม่มันอาจจะลามไปถึงเรื่องอื่นอัลลอฮฺบกว่าอินนัลลอฮฺละย่าดิลกูมอฺบลลมี คนที่ทำความชั่วเนี่ยเราไม่ไ ม, ไม่ให้ทางนาก็เป็นเรื่องจริงถ้าเราทำบาปบาปอะไรกระดามการที่เราจะมีโอกาสพ้นจากมนลทินของบาปนี้มันก็จะน้อยลงเพราะมลทินนี้เนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อเรื่องความดีที่เราทำอยู่ด้วย <c oughs> ยกตัวอย่าง ตัวอย่างนนั้ในคุตตานนี่ที่มีที่มีอยู่แล้วเนี่ยคนที่ดื่มเหล้าอย่างเงี้ยอัลลบอกว่าคนที่ดื่มเหล้าแล้วเมาเนี่ยเขา้าละหมาดใช่มไหมแสดงว่าเขาก็ดื่มเหล้าไปแล้วแต่มันลามไปถึงการละหมาดด้วยดื่มเหล้าแ ล, แล้วก็ข้ามเข้าการละหมาดคิดว่าพี่น้องคิดดคิดดูสิคนที่มึนเมาเนี่ยนอะัลลอฮ์ไม่อนันุญาตให้ก็มาเฝ้าเข้าเฝ้าอัลลอฮ์ทำไมอ่ะพราะเขาดื่ม สิ่งที่ทำลายสติปัญญาเป็นเครื่องดื่มนะและถ้าเขาบริโภคข้อมูลความรู้หรือการกระรทมที่มันสร้างความมึนเมากับสติปัญญาละาหมายถึงว่าบริโภคเหล้านี่มันก็แค่ทำให้สติปัญญาเนี่ยเพี้ยนชั่วขาวใช่ปะ แต่การที่เราได้ทำบาปอย่างต่อเนื่องหรือบริโภคความคิดที่ผิดเพี้ยนหรือบิดเบือนศาสนาอย่างต่อเนื่องบางทีนี่มันอาจจะร้ายแรงกว่ากว่าสิ่งมึนเมาด้วยซ้าเพราะมันจะทำให้เราเนี่ยผิดเพี้ยนตลอดเวลาเช่นบริโภกเล่านะเล่านี่เล้านี่เป็นรูปธรรมสิ่งที่มึนทำสร้างให้มึนเมา แล้วคนที่เมาบอลล่ะมีเมื่ อ, อนคนที่เมาบอลมีมมีดิคนที่เราเมเาแหมเมาเหล้าคนที่เมาเหล้าเขาก็ใส่เสื้อใส่เสื้อย่อเหล้าที่เขาชอบกินใช่ไหมแล้วคนที่เขาเมาบอลเขาก็เอาด้วยไงก็ใส่เสื้อบอลด้วยนะ <c oughs> ถูกต้องไหม แล้วเวลาสโมสรทีมเข้าชนะล่ะโอโหโพสเขานี่ขึ้นเลยแดงเลยอ่าจะเป็นพวกสับปะสัตว์เป็นหงเป็นหานเป็นอะไรนี่ก็ไม่รู้ขึ้นเลยนี่มันแสดงอาการว่าเมาหรือเปล่าเนี่ยเพราะบางทีมีเหตุการณ์อื่นที่มันน่าประทับใจเนี่ยแต่เรื่องนี้มั น, ม, น, นมันอยู่ในมันอยู่ในมนภาพอยู่ในจินตนาอยู่ในทุก ภาคส่วนในชีวิตของเขาอะคนที่เมาเนี่ยอาการคนเมาเนี่ยทําอะไรเฮ้อมั่วใช่ไหมทาอะไรไม่รู้เรื่องเอาเวลาเขาประตูหญิงเข้าประตูเห็นไหมาอาการเขาเคยเห็นไหมอ่ะไม่ปกติเลยไม่ปกติตีลังกาบางทีเนี่ยคนสุขุมคนเรียบร้อยมีระเบียบเรียบร้อยแต่เป็นคนไม่เรยียขาดสติเลย ก็เคยห็นกันชนะหรือแพ้นะชนะนี่ก็ถึงขั้นดิประตูทํำลายประตูบ้านเลยอีกคนนึงแพ้นี่ทำลายทีวีเลยอ่ะขวางทีวีจนพังเลยนี่สภาพคนมีสติปะ่ะไอนน้ก็เมาบอลถึงนคนที่หลงบอล น, นี่นะก็ไม่แพค้คนที่เมาเหล้าถึงบอกว่าเราบริโภคอะไรนะเราต้องระวัง เราบริโภกเราต้องระวังแตเราก็เห็นนะมีคนที่ดูบอลแต่ไ ม, ไม่ไม่ใช่ขนาดนี้แต่คนที่ถึงขนาดนี้ถึงขนาดที่ไม่เคยไปทำฮาร์ดดิ้มหรอกแต่โยไนเต็ดของเขานี่เล่นมไหล า, าแล้วก็ต้องต้องบินไปเลยทันขนาดนั้นนะ่ะก็มีนะมาทำอะไรมาก็มากับเ ม, ม, มียกับลูกนี่ใส่ชุดแดงหมดเลย ก็หลังล้างสมองครอบครัวไปด้วยแล้วตอนนี้ก็เห็นกันภาพอะไรบางอย่างแล้วก็เห็นกันซื้อนาฬิกาปลุกไม่ได้ซื้อเพราะจะได้ปลุกเกี่ยมวมุดเลนหรอกเฉพาะเลยเแล้วก็ในมือถือนี่ปลุกไม่ได้อะมือถือนี่มันมัน ติง้งต้องมันมันมันไม่เตือนหรอกเอานาฬิกาแบบสะดุ้งอะเทำไมต้องขนาดนั้นเน่ยกลัวไม่ตื่นดูกลัวจะพลาดยิงแมตสุดท้ายนี่เนี่ยทิงถ้วยบโลกนี่เน่ยเนครดูดิแกมุลเลลกันนั่งระเหศียดลยวใคยดูนี aka, ่ก็เมาวงกันลายดิลก้ามอซาลิมีนจะไม่ให้ทางนาจริงมากจริงคนที่เมาบอลเนี่ยละหมาดไหมไม่ละ คนที่เมาบอลเนี่ยถึงกันดิไปสนามบอลเวลาละหมาดเนี่กลลัลืมไปเลยลืมไปเลยไม่ต้องไปสนามบอลอยู่ที่บ้านนี่แหละแปบบ๊แบเปบเปแบบแบบแบบอันนี้เป็นเรื่องที่ผมไม่ต้องยกตัวอย่างเยอะนะเป็นเรื่องที่เราเห็นกันเองเราเนี่เคยเคยเคยเป็นแบบนี้เองก็ อ, อยากจะให้พวกเราได้ปรับเราอ่านคุรตาเนี่ยสร้างความสว่าง ไปอ่านอายาที่อัลลอฮฺพูดถึงเหล้าอา๋อกูไม่กินเหล้าใช่แต่เราเมาเรื่องอื่นไง แ, แต่เป้าหมายที่อัลลอฮฺชี้ถึงเนี่ยก็คือเรื่อ ง, งสติปัญญาอัลลอฮฺพูดถึงเรื่องมุชลิกีนเพระอย่านอู๋ไมช่มุชลิกีนนี่ใช่แต่พฤติกรรมพฤติการมันจะฟ้องว่าเราเรามีอะไรคลา้คลายเขาไหมเราคิดเหมือนเขาไหมเราอะไรเหมือนเขาไหมเนี่ยหน้าที่ของเราอ่านกุศอ่านแล้วก็มา ตัวเองจะได้อยู่ในแนวทางที่ถี่ตรงนะครับวสัลลัลลอฮุอะลัย <st> ฮิวะซัลลัมอะลัยฮิวซัลลิมอะลัยฮิมุอะลัยฮุอะลยฮ มันน่ะโกหกแต่อรรนเนี่ยพูดจริงว่าคือมันต้องหายอ่ะล่ะแต่ที่มันไม่ไม่หายเนี่ยมันน่ะโกหกชั้นเชื่ออรรนมากกว่าท้องของของน้องชายแต่โกหกนี่ก็หมายถึงว่าที่ปรากฏเนี่ยว่ามันไม่หายแต่อราบอกว่ารักษาโรคทุกอย่างให้หายชีแฟกเนี่ยบําบัดให้หายอใช่ดิเชื่อในคำพูดของออรรนแต่สิ่งที่มันปรากฏเนี่ย มันต้องมีปัจจัยอื่นที่ทําให้ไม่เกิดขึ้นเนไงแต่เราจะไม่โทษไม่โทษความสัจจริงของอัลลอฮ์เนี่ยว่ามันไม่จริงอ๋อน้ําพึ่งแสดงว่ามันไม่ทำมันไม่บำบัดไม่สามารถไม่ใช่มันอาจจะเกิดจากเรื่องอื่นแต่ผลที่อัลลอฮ์บอกนี่มันจริง